เรื่องสมรักสองสมรสโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขกขจาการจงดังเกิดมีแดกผู้บงสาวทั้งสองตลอดทั้งญาติสนิทมิสหายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพถือของ เจ้าบ่าวเจ้าสาทั้งสองที่ได้มาร่วมกันนักพิธีมงคลตำรบจทหงนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนออกาสนี้สมานนี้จะได้สแสดงพระธรรมเทศนาในสมาชีวิตกะถาพลนานาลักธรรมําหรัระงงเสริมชีวิตของคู่ครองเหราพรื่นปองดองสม่ำเสมอสมกันเพื่อจะลองสัท้าประดับทธิปัญญาบรารมี ขอพระนาจ้าพาและท่านสาทุคนเนื่องในงานมงคลสมรสอันเป็นส่วนกุศลพิธีที่จะนำพระพุทธตาสนวาดมาเป็นเครื่องประสาทรเพิ่มพูนิริมงคลแก่คู่สมรสที่ประสบความสบความเจริญสาทตาพอรุ่งเรืองนอก ง, งานไปบูนแห่งชีวิตคองเรื่นตลอดกาลนานตามู้กควรกก่วเวลาอาจจะเพิ่งมีในวันนี้ ทุกอนอื่นใด น, นั้นจะมาไขจะขอแสดงความรู้สึกในใจสักเล็กน้อยที่ไดมีโอกาสมาร่วมในพิธีเช่นนี้ตามปกติแล้วในภาคอีสานเลยเฉพาะในภาคอีสานนี่คือไม่มีเวลาคุณบาาว้าจะแต่งงานมองคนสมรสจะร่วมท้ายจมหัวเป็นเมียคูสามีภรรยากัน ตามประเพณีของชาวอีสานนั้นมักจะไม่มาเกี่ยวข้องกับทางศาสนากับพระสงฆ์เจ้าก็าจะไปเกี่ยวข้องกันกับพิธีทางศาสน า, าพามโควันบ่ายสีอะไรต่างๆแต่วันนี้อืมกลับเข้ามาเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนาแต่มาจึงรู้สึกว่าเป็นสุริมงคลที่เลยมีโอกาสมาร่วมในงานนี้ งานนี้ถื่าเป็นงานมงคลอย่างน้อยคุณบ่าวสาวทั้งคู่เป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชีวิตมีความอิมอออ่มอกอิ่มใจตราตรึมปีบ ป, ปี้เป็นเลิศพ้นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งคือการได้สมรสแต่งงานกันนี่แหละอันหนึ่งมีการแต่งงานสมรสนั้นถือได้ว่าเป็นกา ร, ปรเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คือทุกคนจะต้องมีฐานะมีหน้าที่ใหม่หน้าที่ฐานะของความเป็นภรรยาเป็นสามีรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อภรรยาท่ั น, น, นแล้วต่อมาหน้าที่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ก็จะตามมาชีวิตในตอนนี้จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสาคั ญ, ญยิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ร่วมร่วมเอาคุณงามความดีกําลังิดกําเลังใจทั้งหมดมารวมกันในวันเริ่มต้นจิตใจที่เกิดมีพิธีกรรมพิธีการแต่งงานเป็นมงคลสมรสแบบพิธีเรียกว่ามงคลพิธีร่วมพิธีมงคลคามงคล น, นั้นมาจากคำว่ามังคลังอุตตมังเศษทางด้านความอุ ด, ดมความเจริญความดีที่สุดนั่นแหละ ในทางาอิสานไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเพื่อนของค์เจ้าแต่ในทางภาคกลางนั้นจะต้องนิมนต์พระอย่างน้อยเก้ารูปยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ใหนที่ที่มางคนย่อมมีแล้วแต่ว่าจะมองเห็นกันในเมืม่อไหร่ในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการแต่งงานกันสมรสนี่ คือ่าเป็นการมโภคคีเป็นการบริโภคกรรมแต่มันก็เป็นหน้าที่ของชาวบ้านผู้ที่มีกะเหลิ่ยมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่การแต่งงานหรือการบริโภคกรรมนั่นม่จะเป็นความเลวร้ายในทางพุะธศาสนาข้าพุทธเจ้าข้ามีคำสอนไว้ทุกขั้นทุกตอนสำหรับคนเราตั้งแต่เปิดมา พูดง่ายว่าธรรมะมีประโยชน์มากตั้งแต่โขคนอยู่ในท้องจนออกมานอนแบะเบาะจนมาเป็นเด็กเล็กๆจนมาเป็นเด็กโตจนมาเป็นเด็กหนุ่มจนมาเป็นพ่อบ้านแม่รลี้ยงจนมาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่จนตายเน่าข้าลงไปจะต้องมีธรร ม, มะขอให้ไม่ใช่คุยโฆษณาสัจคุณพระธรรมเหมือนกับอาหาร อาหารนั้นใครจะปฏิเสธได้ว่าเราไม่จำเป็นในขณะที่ยังไม่เกิดมาอยู่ในท้องแม่ก็ยังอาศัยอาหารเข้าไปทางสายเลือดสายโลหิตของแม่หล่อเลยยี่ยงพอข้อเรามาก็ต้องอาศัยอาหารชนิดหนึง่งกินนมกินอาหารละเอียดเลี้ยเือซึ่งแม่นั่นแหละป้องพอโตมาเป็นเด็กเล็ก ก็กินขนมกินอะไรต่ออะไรโตเป็นเด็กนักเรียนก็กินอีกจยางหนึ่งเป็นหนุนเป็นสาวชอบกิงอยากหนึ่งแต่นพ่อบา้านแม่เลื้ยงก็ต้องมีอาหารอะไอยากหนึ่งเป็นผู้เท่าผู้แก่ใกล้ตายแล้วก็ย่อมมีอาหารทั้งทางตายทางจิตมีชิวิมีทําหล่อเลี้ยงมีธรรมะชั้นสูงมีสติสัมปชัญญะเติเมเปี่ยงเวลาตายก็ธรรมะนั่นเป็นเครื่องมือ นอนดูความตายของตนเองเหมือนดูคนอื่นตายปล่อยวางทุกอย่างดูความดับไปเสื่อมไปสิ่งไปของหลมหายใจของั้งขานมันดูตะเกียงมันนอดมันดับมันหมดเชื่อหมดน้ำมันหมดใสไปทุกข้อ้อะไรเลยแม้แต่จะตายอย่างนี้ก็รู้ว่าอำนาจแห่งธรรมนันก็ต้องอย่างว่าลงไปถึงใในท้องในขมาที่ตั้งท้องพ่อแม่คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันใหม่จะต้องรู้ว่าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่แล้ว อยู่ในท้องนี่ไม่กี่วันจะคลอดออกมาในช่วง น, นี้พ่อแม่ยิ่งจะต้องมีศีลมีธรรมสมทานศีลอย่างพ่อแม่ของพอระโพธิสัตว์ถ้าเราศึกษาดูให้ดีๆเราก็จะเห็นผู้คนที่เป็นคนมีบุญคือพอระโพธิสัตว์หรือมหาบุรุษทั้งหลาย เมื่อท่านตั้งท้องทั้งคันพ่อแม่ก็จะต้องเริ่มสมธาธิอุเบกยืนศีลธรรมแล้วมันก็ล้อเลี้ยงแวดล้อมแลม้วล้อมจิตใจของผู้อยู่ในท้องเราเป็นคนดีเ <c oughs> ดียวมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่ตั้งแต่ยู่ในท้องเพราะฉะนั้นก็ให้ผัวบาปฟ้าทั้งสองไปตั้งใจฟังกันหน่อยให้เกิดประโยชน์เป็นสิริมงคลโดยอาศัยอำนาจแห่แ ง, ง, งพระธรรมคำซ้อนคำพระคุณเจ้านี้เรามาประสาทเป็นพร้อม พรนั้นมาจากคําบาลีว่าพระพ่อระเรียบระบระบระหมายว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐวันนี้เราต้องการให้ได้รับสิ่งประเสริฐสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่สูงสุดเลยจัดพิธีมงคลขึ้นมาพิธีมงคลคือพิธีที่ดีที่งามแวดล้อมภายนอกให้จิตใจได้ดีได้งม ส่วรอิงมงคลภายในนั่นอยู่เหนือพิธีรีอตองอยู่เหนือพิธีกรรมเรียกว่าธรรมะมงคลมงคลภายในนี้เรียกว่าธรรมะมงคลคือธรรมะความถูกต้องความดีความงานที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามฐานะตามหน้าที่ถ้าอย่างนี้เรียกว่ามงคลภายในที่ตัยวยเถิดมงคล น, นั้นก็ยังมีละเอียดทั้งมงคลภายนอกทั้งมงคลภายใน วันนี้มงคลถ่ายนอกคุณพ่อคุณแม่ญาติสนิทที่จะใหา้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราขบับรถมาถ้งเลื่อนใ่าทั้งสองทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายชายมาแต่ไ ก, กลนู่นมอารถเอารถมาเรือมาจากกรุงเทพมหาคนครนั่นแหละท่านมาจาัดพิธีมง ค, คลคือมออาแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อมถ่ายนอกจัดสภาพตีหลให้ มาให้กำลังใจมาอวยชทยให้พรหลังหลาคลายความป่นนาเถรนี้ความหวังความอยู่เย็นเป็นสุขของลูกของหลานเลยมาจาัดงานมงคลพิธีขึ้นพิธีมงคลให้พิธีมีน้ำตาทั้งสองจึงเปรียบเสมือนเกิดขึ้นมาเดินทางคนละเส้นคนหนึ่งอยู่ น, นึ่กรุงเทพ คนหนึ่งอยู่ในป่าในตรงอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านในเมืองอันสีวิยแล้ววันหนึ่งก็ได้เดินทางไปบรรจบพบกันที่ทางสองเท่านก็เลยชอบอก ช, ชอบใจดูอะไรมันถูกอกถูกใจกันเป็น้อนก็เลยตัดสินใจรักกันร่วมท้ายจมหัวจติตตะวันเปงนเมียเป็นผัวพร้อมที่จะหัวเระ พร้อมที่จะร้องไห้ด้วยกันในโลกไหนมุนโลกใดในนรกในอาเวจีในสวรรค์ที่ไหนก็พร้อมที่จะไปยด้วยกันพร้อมที่จะหัวเราะพร้อมที่จะร้องไห้พร้อมที่จะตกนรกพร้อมที่จะขึ้นสวรรค์ด้วยกันพร้อมที่จะเช็ทน้ําตาให้แกกันและกันมยามยากพร้อมที่จะอดทนกับกินก้อนเกลือด้วยกันและกันไม่ยามจนมองฟูรูทางเป้าหมายแห่งชีวิตอันเดียวกันทั้งสองคนก็เลย มารวมเจรินใจกันข well. <my> <purely> ้าวเป็นจิตใจดวองเดียวกันเพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตที่แก่กันและกันเพให้สุดๆมาคือความกความเจริญของชีวิตได้เลยเกิดมีพิธีมงคลสมรสขึ้นมาการกระทําอย่างนี้แหละเรียกว่าสมรสเท่าสมรสมันจะขนาดสมมาหึงละโศหัสพาลีสมัสป็นรรมเสมอละโศเรว่ารสเป็นยมมันน ตอนนี้เรามีรถนิยมจงกันเสมอกันไม่เกินกว่านี้ไม่ย้อนกว่านี้ผู้ชายมีหลายพันห้านคนในโลกผู้หญิงก็มีหลายพันคนในโลกแต่รถนิยมที่เกิดความรักนั้นมีเพียงหนึ่งประโยช์วันนี้ไม่มีใครเกินกว่าจาา้าดาวที่มาที่นั่งยนเต็นากเม่ในมอานนี่ มีใครเกินฝ่ายหญิงคนที่นั่งเคียงข้างคนนี้ทั้งสองคนก็จึงเกิดคำว่าสมรักสมรักคือมีรักเสมอมเสมอกันมีความรักเสมอมเสมอกัน ก, กันเลยขดลิ้มสังสบแถึงความรักที่ไม่มีความรักที่จะเือยแผ่ให้แก่ไทยอีกแล้วเตยตกลงร่วมหอแต่งงานกันฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่กันเลย มาร่วมกันเป็นจำนวนมากเพื่ออวยใจให้พรให้กำลังใจให้ความตาดทานาดีให้เกิดรลมงคลแก่ทั้งสองเลยจัดงานพิธีมงคลสมรสขึ้นนี่เียว่าพิธีมงคลได้ผ่านไปนี่เป็นมงคลภายนอกเพื่อให้เราได้รับทราบเราผู้หลับผู้ใญ่ท่านหวังดีท่านตัดทานาดีมาพร้อมหน้ า, พ ร, า, า, นาพร้อมต า, า, าตา่อเมื่อการงานเลื่องไป หลายวันหลายคืนไปขอให้เหตุการณ์อย่างนี้ยังประทับอย่านหัวใจว่าเราได้แต่งงานได้มองคนสมรสกันโดยเต็มพร้อมดโดยผู้หลักผู้ใหญ่ต่อน้างเป็นผู้มาให้กำลังใจประสาทาษรอวยใจให้สุดท้เพราะฉะนั้นวันนี้เ่อ ย, ยังมีลักษณะพิเศษคื อ, อยังมีการมองคนสมรสต่อเนื่องพระรัตนไกลอีกด้วย พระพุทธลูกตั้งอยู่นั่นรัตนัสลายอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมถ้อยคำที่พาะหันจเจริญพระพุทธมนต์ไปมเมื่อกี้บนภาษาดาลัลลีที่ผ่านประโยคนั้นเป็นถ้อยคําอันเป็นตัวแทนเห็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าหันประกาศออกไปพระสงฆ์ที่นั่งกันมันเต้าลูทั้งหมดนั้นสิทั้งอาตมานึ้งด้วยก็ถือได้ว่านี่แหละ ที่ตกิดแห่ของฉะสงองรวมแล้วแต่หน้าสะตะุประสามประสองทรัตน์ตราถึง ส, สักขีถุงพยานในความรักนี่คือว่าเราได้สมรสมรักกันแล้วพิธีมงคลก็ได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ตรงนีอีกอันหนึ่งคือธรรมมงคลมงคลภายในคือธรรมะความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำ ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าทําไปแล้วนั่นเป็นปัญหามันเป็นทุกข์สิ่งนี้ถ้าทําแล้ ว, ม, ม, ลวมันจะก่อให้เกิดความทุกข์นี่ว่าความจริงสิ่งทีต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปพิบูจน์ปฏิบัติต่อกวามเพื่อดำเนินชีวิตการของคู oh, ่วันนี้ให้มันดีมันงามจนไปถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของชีวิตมาเลือกคู่นู่ต่อกันละกันเป็น การทรงเสริมพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตทั้งสองให้รา่าเริงให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปจะต้องรู้จักทำอันนี้เราเรียกว่าท ร, รมามงคลทันเ้าภาพก็เลยได้อาราชนา น, นิมลนาตมานาคาทำนิะทาเพื่อประสาเป็นพรนให้เป็นธรรมมามงคลิึงของให้ทั้งสองได้ตั้งใจฟังน้อย ก่อนอื่นในนั้นขอพูดถึงพิธีมงคลก่อนสักเล็น้อยในภาคอีสานนีมีพิธีแต่งงานมงคลสมรสนั้นไม่ค่อยเอามาเกี่ยวกันกันกบพระสงฆงเจ้าเกี่ยวกันกับพวกพรามและทิ่ประเพณีทางพรามเชิพรามคนแก่คนเฒ่ามาสวดขันธวาบาซีาาข้าวหข้าวายกันกินหรือล่าจิญยากัน หมดเงินหมดทองกันไปทุกยากลําลบากกันไปมีแม่มีตากันไปแต่สเสลกับเจมี่เป็นฟินทุกร้อนกันไปดูแล้าวก็ไม่ทราบว่าจะเป็นมงคลตรไหนแต่พ่อแม่ของเราก็เดยนักถือด้วยกระ ท, ทามาถ้าจะมองในี้ผู้ศาสนาแล้วเตียจะไม่มีมงคลอะไรเหลือเลยในพิธีมงคลสมรสของชาวอีส า, านสนดดัง เริ่มตั้งแต่จะไปสู่ไปขอฝ่ายหญิงฝ่ายชายชอบอกชอบใจกันแล้วก็ไปสู่ขอการไปสู่ขอนั้นก็ต้องถึงควเล่าไปจนจบบ้านไปถึงก็กินเล่าให้มันเมาซะก่อนทั้งพูดที่จะไปอุ่นไปอาหารไปโสดไปขอแล้วก็เอาไปเทเปวินให้ฝ่ายหญิงกินคือฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ถ้าไม่อาไปให้ก็ผิดประเพณีต้องถามเอาซะ ก, ก่อน เขาเล่าไปเปิดประตูไปไขป่ากเปิดประตูต่างม่ใชนั้นมันพูดไม่ได้มันอับอายหรอย่างไรพอมาแล้วจึงจะพูดกันเลื่อนผู้นี้ความเมามัชฌตามาถถามาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอเริ่มต้นก็เอายาพิษไปฝากกันเลยนี่ไม่ทราบวาจะเป็นมงคลอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกมัชฌตามาจะสัญญาว่าต่อมาทรอจะทำเมสุเอตมังคารมุตมังนี่เป็นมงคลคือไม่ดี ไม่เทเครื่องดองของเมไม่ประมามทในธรรทั้งหลายอีก็ได้ไม่ตั้งมนี่เป็นมงคลอนสูงสุดอันหนึง่งทมงคลที่พรุทธเจ้าสอนแล้วมันก็ไม่มีคลอะไรเลยมีแต่อัปมงคลมีแต่น่จังไว่าไวก็อยาว่ามาว่าคนเท่าคนเก่นะนี่เป็นงานแรกที่เบรราราชนาญมุนให้มาแสดงธรรมในวัน มีวิวว่าวงมงคลทา่านนี้ตามปกติแล้วพระเสนีนี้เกิดขึ้นในรนามายินดีอนุโมทนาอย่างนิ่งท่านจะา้าเป็นชาวกรุงเทพมหาคนครจัดธนนะอย่างนี่งอยากจะให้ป็นสรุปมงคลทั้งในทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังสั่งมาว่าไม่ให้กินเหลาา้าเมายาเรียบร้อยมองโดงงานนี้ไม่มีใครเมานม่งกันสงนบสันติธรรม ทั้งนี้มีจริงแจะถือว่าเป็นมงคลและพาาละระพุทธจาท่านส่งเซพราะพะพุทธเจ้าท่านเคยถูกมาได้รับประราธนานิมนต์จากเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าอุตหะเศรษฐีอยู่ในอุคกาบาตโปัปนจักมิบาอังคุตานิกาพุทธบิดาขุนที่22ข้อที่3ามสบมนาห้าฉบบเลือมีลูกสาวของเศรษฐี จะไปอยู่บ้านหัวจะแต่งงานนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันทที่ทันตอนนั่นที่เมืองพัิยะที่ชาติยาวันแล้วก็นิมนต์เขาให้พระศาสดามาให้ออกวา่าแกกุลนารีลูกสาวของตนเองว่าทำยังไงชีวิตแต่งงานเขาไปอยู่กับผู้กับผัวเขาจึงจะมีความสุกความเจริญพุทธเจ้าท่านก็นได้สแสดงทำให้ฟัง เขาทุ่งเหี่ยวะนไปประสาพรให้เหมือนเองท่านมึงรับลองคิดดูเถิดเร่องราในสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าโดยเกี่ยวข้องแต่พวกเราไม่กกมียัดแต่มีในภาคอีสานมึงจะมีงานนี้อาจมาเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าวันนี้ว่าท่านเคยไปเทศไปแสดงธรรมเพื่อผู้ที่ร่วมแต่งงนนั้นได้รับประโยชน์จากพระธรรม าอาจะมาแตลูกศิษย์ท่านตายแถวก็ได้มีโอกาสมาแต่ทำนิสะถาในวันนี้ก็เลยนึกว่าไมา่เสียชาติที่ได้เกิดมาบวชตามหลังท่านก็ยังได้ทำาน้าที่อย่างเดียวกับท่านนั้นก็เลยนึกเึงทยาขึ้นมาทําม้าที่ทานอาจะให้ออกว่าแต่ลูกสาวของโอกาสเสษถีนั้นจะมีอะไรบ้างก็จะได้นามาเล่าให้ฟังในต่หลังคุณพิที มงคลตั้งแตแล้วใน่าอีกสานจะเริ่นทําลายความเป็นมงคลตั้งแต่จะไปครูววไปขอยิ่งถึงวันแต่งงานยิ่งเละใหญ่ข้าวงัวข้าวควายกันกินลาบเลือดแดงเถือเต็มหมดเลยกินเข้าไปได้อย่างไรมองเห็นว่าสุเทพเสถ า, านาเริ่มต้นกับทั้งเข็นทั้งข้าทั้งเมาเมาเมายาเล่นทําลายสินห้าหมดพอมาแล้วมันทําอะไรก็ได้าการข้าเริ่มขึ้น ลาดเลือดลาดแดงอะไรก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นพอจะแต่งงานก็เอาพรามาหูเท่าที่เคยบวดนานเป็นทิศเป็นการถึงเรียนมาผ้าผาดบามานั่งตรงการให้โอว่าบวุชัยให้พรสุขานศสีศรีศรีะพรานบวมนเนลาวิเศษทิศที่เลดัมเบโโตสยามมังคาลาสยามมหามงคล อวยพรพูดจงดีเป็นภาษาบาลีสุท้ายสีนีเป็นมุันวันนี้ดีวันเีอามุตตโตตนี้นตกันันันนี้นมแกวคตกแตงแล้วี่ยมาอวยพรเปิดคำพูดออกมาเหมือคุไมดเลยมก็เปิดหดมคนที่มาอวยใจให้พรคนที่มาสุขมาสังมาสอนมันเาสทั้งนี้ บางทีล้มพุ่ลงไปกับพาคันแล้วก็ลากสภาคันอาเจียนสภ า, าสควันห้าทั้งไป้่าควันพอเพราอย่างนี้ที่เห็นไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยไอหน้าคงเพศเวทนาเอาคนมาเอาคนนู้นเอคนบ้าบ้าบู๊มาสอนคู่บ่าวสาวต้องใจความเป็นมางคนจบเอาคนชัว่วๆอย่างนั้นมาสอนแล้วก็บอกว่าต้งมองคนก็ต้งมองคนตรงไหน อาจารย์พู้อยนี้ในเกรงใจไข่ดอกยอมให้ดา่าเป็นกระบวงกระบุ้งทำลายบ้านทำลายเมืองทำ อ, อ้อมทำลายลูกทำลายล้านทำลายสติทำลายสัญญาทำลายจิตใจของเขาเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณงามความดีคำสสอนที่ถูกที่ต้องจากพ่อจากแม่วันนี้เขายอมพร้อมใจกันมาฟังอย่างดีแต่ผู้ที่มาให้พรนั่นเมาเหมือนกับเปิดหายดง แล้วก็กว่าอาชีพเซนิฟ้าคนเรื่ยก็มีอย่งางเก่าวแล้วแล้วเจ้าเอาไว้มาเป็นมงคลก็จะฉะนั้นไทาอีสานของเราทําอะไรมักจะหาว่าอาตมาที่พูดยกเลิกประเพณียกเลิกคำสอนเพื่อประเพณีเพื่อทําลายคนอย่างนี้เขาพูดได้ากเพราะว่ามาตรรตรายะอย่าเชื่อโดยเขาทําสืบคือกันมาทําสืบคือกันมาแล้วมันมันผิดก็ได้ ก็จาะฉะนั้นท่าสอนแล้วและสุดท้ายปรวัติปฏิรูปตังโอตายีต่างปาสาเทเคเนี่ยสัมปาเทหิจงทํำให้มันเหมาะเหมือนสมมันถูกมันต้องมันดีมันงามด้วยอุบายที่ชอบที่ท่านสอนให้เราปฏิรูปสิ่งไหนมันไม่ดีปฏิรูปไปว่าเหมาะสมทํำให้เหมาะให้สมไม่ใช่ปฏิรูปเป็นภาษาต่างเนื่องเพราะฉะนั้นการจะทํางาน พิชีมงคนสำลังรนะค่ะอีกสองของเราจึงจงาจทําลายจิตใจมากจว่าเมือ่อฉะนั้นพอมาโขขอดอบแทนลูกหลานทั้งสองนั่งพนมมือรับพอวารับพรอันดีอั น, อนงามเมาเหล้าฟุ้ตีและลูกและลูกด้วยจะได้ลูกแท้คือกระปูนมาได้ทิ่พายไว้ ว, ว่าการให้พรสตอรี้สะเดินทั่วไปหมดเลยเล่นเอ็นเจ้าบาวเจ้าสาวอาย หน้าดำหน้าแดงไปทั้งนี้จะเป็ะสา พ, พอนใหรักกันสดชื่นเยืนนานนะผิดข้องมองใจอะไรบางครั้งให้อภัยกันนะเราทั้งหลายหวังดีแต่เธอทั้งสองเลยอหลานเอ๋ยพูดดีๆงา ม, งามให้ประทับลงไปในหัวใจเวลานี้บัดนี้เป็นหนึ่งแต่ทั้งสองได้อยู่นั่นกันแขว กับลีนกระทบกระทัท่งกันครบรัาษา พ, พอเมี่มันโยนน้ำตาลกระสิบสิกบกระทบกระเทีท่ยงกันเจ้าทังง้งซ้อนยอดฟิชของกองเทียงกองฟิชกันแล่วผู้หนึ่งห่อนีผู้หนเย็นเนออยู่น้ำตาลซ้อนดีๆอย่างนี้ดอกดีๆอย่างนี้ตามภาษาพุทธีธิฐานโลกมา น, านันมันก็จะเกิดใะหยอกนี่พูดปูยี่โตยำเม่มาเมาแล้วก็พูดไปทั่วแต่นนีิธีบางอันะตี คนโบราณที่แท้จริงท่งนนานคงไม่ปาตหนาอย่างนี้ดอกในะะ้าอีสานนั่นแต่คนรุ่นใหม่นี่แหละมันสัต ป, ประรดิสัตะด์ทักร้อยปีมานี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเก่าแต่ก่อนจะแต่งงานเจ้าบ่าวจะขึ้นบ้านเจ้าสาวหรือเจ้าสาวจะขึ้นบ้านเจาา้าบ่าวถ้าไปไปอยู่กับบ้านเจาา้าบ่าวหรือไปอยู่กับบ้านเจ้าสาวก็ต้องไปถึงบ้านเจ้าสาวก็มีคนที่เป็นผู้หญิงนี่เคยเป็นแม่คร้านนางไม้ โดยบนผู้ชายไม่มากชูหลายเมียเป็นผู้มารับเขยรับสะพายยืมแขนขึ้นบ้านยืมแขนขึ้นบ้านแล้วก่อจะถึงก้ไปยืนอยู่บนก้อนหินแล้วก็ลา้างเ้าก่อนเรียบร้อยแล้วก็มีต้นเัืวนอนอ้อยอยตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องหมายสอนจิตสอนใจให้คนที่มีความบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตคู่ไม่เคยอย่างไม่เคยรง มาจูงแข้งขึ้นบ้านเป็นปริศนาบอกว่าให้เอาตัวอย่างคนนี้นมาเดินตามอย่างคนนี้อยู่กัน อ, อกคุ้นรักตันถือมีเท้าจอดทองหรูดจะรองจอเพชรเหมือ น, นคนนี้ไม่เคยมีปัญหาในการครองเรืองมีแต่ความรักอันสบดชื่นแค่เอาอย่างคนนี้จึงให้คนนี้มาจูงขึ้นเพื่อจะบอกว่านี่นะฉันก็เคยทําอย่างนี้มาแล้วและฉันก็อยู่ยรอดปลอดภัยเลี้ลูกเป็นคนดีเลี้ยงหลานเป็นคนดีอยูอย่อย่างนี้นี่ แล้วให้ไปยืนอยู่บนก้อนหินสลังขาก่อนจะขึ้นบ้านเป็นปิิศนาสอนใจว่าหินนี้มันหนักมันแน่นมันไม่หวาดไม่หวัด ไ, ไ, ไม้ไหวลมพัดเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนพัดต้นไม้พัดทีขอให้เดยทั้งสองนี่นจงเป็นผู้ยืนอยู่บนแผ่นหินอยู่ยืนอยู่บนความมันม่นคงบนศีลศีลังศีลาวิยะภาวะอติเน้นแผ่นหินนั่นคือหินไม่หวั่นไหว เธอทั้สองต้องมั่คนคงเหมือนแผ่นหินผู้หญิงจะช่ยวยมาเหมือนนางฟ้าอัปตะสอนมาจากสวรรค์เธอก็อย่าหวั่นไหวมั่คนคงเหมือนแผ่นหินต้องลง้นแต่มีรักเดียวใจเดียวอย่างนี้ฝ่ายหญิงข้เหมือนกันคล้ายๆกับจะบอกอย่างนี้จึงให้ยืนอยู่บนก่อนหินแล้วก็ลงเท้าให้สะอาดล้างมนพิมความขั้วต่างๆออกจากจิตจากใจในอดีต เครักไทก่อนลืมไปหมดเคยทำอะไรไม่ดีไม่งามวันนี้ล้างถึงหนักจะเริ่มต้นด้วยคุณงามความดีร่วมท้ายจมหัวเป็นมียหัวกันแล้วเราก็จะต้องกัดมือกับตัวกับหางกับดหัวกับชั่วให้เป็นดียิงยิ่งล้างเท้าอยู่บนแผ่นหินก่อนที่จะขึ้นบ้านให้บุคลีบางคนมาเป็นเครื่องหมายบอกอย่างนี้จิตใจให้มันคงเหมือนหินไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นมาอาสิดอาศ่าบางที เขาพูดหวานให้สักคำหนึ่งคนลืมภรรยาลืมสามีฟั่งคว่ำสมเสียเกลือมือหอยตาเสยเกลือมือหอยังตควซับวเสียจผูแห้งคนอื่นมาพูดอย่าง้นอย่างนี้มีเธอไม่ดีัวเธอไม่ดีอย่างนี้ไวหูฟังหูมนนนหินมอลันดู่ามีเนอย่างนี้รยืนอยู่นนหินังควสีเกลือมือหอยังควซับวเสียจผู มีประเภทนี้แต่งานในว่าอีสานมันเป็นอย่างนี้เขามีปีนาจป้อนธรรมผู้ที่จะแต่งงานให้ยืนอยู่บนก้อนหินล้างท้าแล้วจึงให้นคนที่ไม่เคยเป็นอเป็นแม่ไ ม, ม้เป็นแม่ร้างนางไม้มาจูงแขนขึ้นบ้านอย่างนี้เป็นตัวอย่างทำไมเราไม่คิดกันทําตัวอย่างอย่างนี้แต่เรากับ ไปเอาตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งานไปเอาหม้อสูตรขวัมเมาเหล้ามันก็เปิดหายโดเมนเพิงมาผวกคอสีๆีมาโูแขนวันนี้วันสันวันนี้วันดีวันเสถียรม้วนตะโศกตกอัี้มันกในชันทันอันี้มันทันในแก้วหว้าวจะพาขวัญพร้อมอย่างเนี้ยทำลายลูกทำลายหลาน พฤิการกระทำอย่างวันนี้มันเป็นการกระทําที่ขามวดเกี่ยวข้องกับคุณกระทําอย่างชัดเจนองค์มาจึงเห็นด้วยในการกระทําในวันนี้ท่านยอย่างโขกอย่างต้องเหมือนกะหม่ยมพระพุทธเจ้าที่ท่านไปเทศไปสอนลูกสา ว, วของอุองคหะเปิดถีในวันที่จะแต่งงานที่ชาติยาวันก้ยเมืองพัทยานั้นเพราะนั้น คนทัางหลายวันนี้โดยจะพูดคุยบ่าวสาวมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ตัวมือรับโรู้รับฟังพระธรรมอันเป็นมงคลภายในเรียกว่าธรรมมงคลธรรมที่จะเป็นมงคล น, นั้นอาตมาได้กลา่าวมีเขียวปาบทเป็นภาษาบาลีเอาไว้มีสีอันว่าสมัชภาสมศีลาสมัสามจาคาสมสปัญญานี่แปลว่ามี มีศรัทาสม่ำเสมอกันชีวิตกู่ครองนี้มีคํว่าอย่างนี้ยอมาชีวิตสมรสเพราะ่าชีวิตสมรสอ <c oughs> ก็หมายควาว่ามีอะไรอะไรที่มันสม่ำเสมอกันมีรสเสน่หมในจิตในใจเสมอกันในทางพระพุทธศาสนามีคำสอนว่าชีวิตสมรสที่จะมีความสุขกาต้องมี มันคงยืนยาวได้นั้นครูเสมอควรมีคุณธรรมที่สมกันหรือว่าส ม, าม่ำเสมอกันคนภาคอีสานเราว่ามันจังสมกันเว้ยจะมันสมกันดิครูนี่สมภายนอกอืมคือสม่ำเสมอภายนอกมีหน้าที่การงานเสมอกันเป็นครูเป็นหมอเหมือนกันอย่างวันนี้ไปทราบว่าเป็นหมอเหมือนกันอย่างนี้ ทำอ่รงพยาานทีดียวกันอย่างนี้เองรียกว่าสมาเสมอมี้านอาหสังคทางธุรกิจอะไรต่างๆมันสาหนเสมอกันมีรูปร่างลงไปถึงว่ามีความหล่อความสวยความงามความขี้เนีเลยแล้วสม่ำเสมหมดโอ้จะมันมนื่อกันเนาะจะคลอยได้กันซ้องกันอย่างนี้เขาเรี ย, ว ย, ย ก, นนะ ก, กยว่าสมาเสมอสมรส มีความรัแต่นั่นเป็นการสม่ำเสมอภายนนี่ต้องมีการสม่ำเสมอภายในบางคนบางคู่มีคนทำให้มันสม่ำเสมอกันจะพึงเรียกได้ ว, ว่าสมัชีวีมีชีวิตสม่ำเสมอกันทั้งไม้ทั้งภายในไม่ได้เหมือทั้งภายนอกเชื่อฟังให้ดีทำวัตถีประ ก, การคือสมสัคชธาสมชีลาสมัจจาคาและสมะปัญญา ธรรมชีวิตธรรมสี่ประการนี้เป็นฐานรองรับชีวิตคู่ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคารวะธรรมสี่ยาง ท, ที่คนทั้งหลายเขาเดชพูดกันคารวะธรรมมีอะไรสัตยธรรมขันติจากขะนั่นใช้ในการดำเนินชีวิตคารวะตั้งแต่ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตโมูชีวิตคณะชีวิตสังคมในธรรมสี่ประการนี้ ก็อยู่ด้วยกันได้แต่ต้องเราทำมากที่จะให้สม่ําเสมอในการคลองชีวิตเพียงสองคนนี้ยิ่ง่กว่าคารว่าจตุรงอีกก็คือสมัชชีวิตกะาสมัชชีวิตตรทำคือทำสีอย่างดังกล่าวมาแล้วสมัสธามีสธาสมกันเท่ากันสมศรีรามีศิลเท่ากันสมจารคามีการตีสละไม่ในใจเท่ากันสมปัญญามีปัญญาสมม่เสมอกันชีวิต ที่สม่ำเสมอกันอย่างนี้ด้วยสมัคชีวิตธรรม่ประการนี้แหละจะเป็นชีวิตชราหรือจะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ชื่นคู่ชมไม่ต้องเป็นคู่เวรคู่ตรรมคู่ระยำคู่ระยำชอบชําระกรรมซ่วงเป็นคู่คุณงามความดีคู่สินคู่ธรรมหนึ่สมัรัทธามีศรัทธาสมกันมีศรัทธาเสมอกัน สถานนั้นหมายถึงความเชื่อความเริ่มสความไฝนิยมเช่นความเชื่อถือในลัทธิในศาสนาความเริ่มสในพระกนัฐไรและความไฝนิยมในคุณค่าหรือสิ่งที่ยึดถือเขาเ้าใจว่าเป็นคุณงามความดีต่างๆทุกอย่างง่ายว่ามีอุดมการอือย่างเดียวกันมีหลักการอย่างเดียวกันเลยเข้ากันได้ในหมายทั้งสถาอย่างนี้อันศิเดนต์มั่นใจอย่างนี้ มีความไฝ่นิยมอย่างนี้เชื่อถืออย่างนี้เท่าเท่ากันไปด้วยกันได้ในสิ่งเหล่านี้เนนมื้องแรจะทํำให้ชีวิตคลองเรื่องกลมกลืนสนิทสนมแน่นแฟนเพราะศรัทธาเป็นเครื่องหลอง่อล้องความรู้สึกคิดและพลังชักจูงใจในการดาเนินชีวิตและการทากิจการต่างๆความามีศรัทธาสม่ำเสมอต้นเนี่ยศทธาดีนี้เป็นศรัทธาในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ได้เป็นศรัทธาที่ว่าเฟ้ยอย่างเดียว เฟ่เยเดียวหมายถึงเชื่อแต่นี้มันต้องประกอบไปด้วยมั่นใจใช่ว่าคอนฟิเดนซ์เรียบร้อ ย, อยมองให้เห็นใกล้ๆ ก, ก, ก็มีสาปธนาเดียวกันมันก็รักกันในยืดถ้ามิฉะนั้นต้องเปลี่ยนสาปธนาให้เป็นสาปธนาเดียวกันปรับใจให้เข้ากันได้แม้จะถือคนละสาปธนาก็อยู่ด้วยกันได้แต่วันนี้ทั้งคู่ทั้งสองก็นับถือพุทธสาปธนาความเชื่อถือในเรืที่สาปธนาอย่างเดียวกันนี่ แต่เราอาจการมีรัศนยอมแนวเดียวกันเป็นสิ่งสําคัญเมื่อในชีวิตสมรสคาสถาเบิกต้นไม่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต้องตกลงตอบที่เป็นไปด้วยความเข้าใจต่อกันไม่ได้นักมาคือไปอยู่ทางตะวันออ ก, กาทางทะเลตายหลายปีที่ว่าตายแล้วตายอีกอืมถ้าเรายั็นนักผู้สาวสนานี่คงจะแต่งงานกับผู้หญิงปิดปราไม่ได้นั่นแหละเรียกว่ามันไม่มีสามัคคี มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยแคนี้เขาอยู่ด้วยกันได้ผู้ชายคนหนึ่งในศาสนาสลามนี่มีได้สามคนสี่คนตรแรกก็คือมีสามสิศัทธามีความเชื่อในพระอันล็อกว่าพอนลอนี่ทําให้เราทั้งสี่คนมาเป็นครัวเป็นี่เสียกันแต่นี้มันก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเรื่องธรรมเรื่องสิ่งเหล่านี้ความเหมาะสมัาภายในเรียกว่าสมรรถภาภายในจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาก็สมาสีลามีสิ่งคือความประพฤติเสมอกันมีความประพฤติที่เข้ากันได้อยู่ในระดับเดียวกันไม่เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ ด, ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือขัดแย้งรุนแรงต่อกันเช่นฝ่ายหนึ่งปากคล้ายชอบกล่าวคำหยาบอีฝ e ่ายหนึ่งก็ได้รับการอบรมขวดทั้งมาในด้านพูดจาสุภาพอ่อนหวนานทนฟังคําหยาบไม่ได้หรือฝ่ายหนึ่งชอบเป็นนักเกรงหัวไม้แต่อ e ีฝ่ายหนึ่งชอบชีวิตสนมไม่หวนไหว ว่าเป็นทางเบื่อหมายร้าวชานเลิกร้างตันลืออยู่อย่างทนทุกข์ทรมานเพราะนั้นสมสาชิรานิสิณส ม, ม, ม, มุงเสมอกันโดยเฉพาะสิณข้อที่สามในจํำนวนสิณห้าถ้าไม่เส ม, มอกันตัวนี้พังทันทีต่อมาข้อที่ 3, สา ม, มสามารถจากหาหมีน้ําใจเอือเฟื้อเผื่อแผ่สีสลักให้มันสมกันเส ม, มอกันในชีวิตของบุคคลที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่น เพิ่มแต่ย่านนิสหายเป็นต้นไปนั้นคำข้อสําคัญที่จะต้องสแสดงออกอยู่เสมอก็คือความเป็นผู้มีน้ําใจความเอือเ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ความเป็นผู้มีใจกว้างความช่วยเหลือพร่งพาอาศัยกันในทางตรงกันข้ามก็เป็นความตันนี้นมีไห้มันมีความเป็นผู้มีใจคับแคบแข็งแต่ด้าง ผู้ครงที่มีจาระห์ไม่สมกันยออ่อมวิออกแบบเกิดความขัดแยงแ้งกระทบกระเทือนปิตใจกันอยู่เรื่อยไปทําให้ชีวิตครอบครัวเป็นชีวิตที่เปราะมีทางที่จะแตกเล้าได้พร้อมที่จะแตกจะรล้าคอนฟิก c t กันขึ้นมาได้จาระตอนนี้ต้องมองลึกลงไปถึงความเป็นผู้ไม่รับแคบเอาแต่ใจยอมซีสลากความรู้สึกในใจของตนเองว่าอันนี้ไม่ถูกใจเรา แต่เราก็ยอมเสียสละได้เพื่อความสบายใจของคู่ครองส่วนอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันถึงเวลาบางครั้งก็ต้องยอมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าเสียสละเข้าอันโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามในเจ็บในใจเนี่ยให้มันหมดไปให้มันหมดไปสียสละไม่โผล่มันไว้อย่างนี้เพื่อให้ ส, สมัปัญญามีปัญญาสม่ำเสมอกัน ปัญญาจะได้หมายถึงความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ความรู้จักคิดความสามัคคีในการใช้ความคิดและความเข้าใจในเหตุผลความมีปัญญาสมการไม่ได้หมายความว่าผู้ของทั้งสองฝ่ายจะต้องมาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการจบปริญญามาเหมือนกันเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันเป็นครูเือนกันเป็นหมอเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคนนึงอาจจะจบด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งเป็นชาวนาเป็นอะไรก็ตาม แต่มันพูดกันรู้เรื่องรับฟังเข้าใจเหตุผลของกันและกันช่วยให้เป็นคู่คิดของกันและกันได้อย่างที่กล่าวไว้ง่ายๆว่าพูกรู้เรื่องสูกันรู้เรื่องอย่างนี้คนทำข้อนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่งเพราะสามีภรรยาเป็นผู้ร่วมใครคิดกันทุกเวลาจําต้องมีความเข้าใจร่วมช่วยกันปรึกษาหารือกันบรรเทาข้อดนักใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นกําลังแก่กันและกันได้ ความมีบัญญาเสมอกันนี้นอกจากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำํำใจทำให้ความสนิทสนมกันด้วยดีแล้วยังทําให้ชีวิตคู่ครองทั้งสองฝ่ายเป็นชีวิตที่ส่งเสริมคุณค่าเพิ่มกําลังแก่กันและดั้นจิตด้วยพระบรมาศาสนาจึจแสดงว่าสมชีวิตธรรมสี่ประการนี้จะเป็นเหตุให้คู่สามีภรรยาได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าตามประสงค์ เรียกว่าสมาชีวิตธรรมอยในสมาชีวิตสูตรจตุการิบารอางคุตติเกายพระตจ้ปิฎกเล่มที่ยี่สิบออที่ห้าสิบห้าหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดท่านเคยพูดที่เพสกรามกัตยวันที่บ้านสุงสุมาลคีละแควนพระแต่กรรนกุลบิีดานักกุลมาดาสองเศษผีพร้อมเมียนี่ทาบุญเรียงพระมพระพุทธเจ้าเป็นประธานผู้พุทธเจ้าฉันเสร็จ นั ก, กูลาบิดาก็บอกว่าพันเตฟะกะวาข้าแต่พระผู้มีาพระภาคเจ้าหัวเจริญตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ น, นํานกูลามานดาครอพีของผมในภูมิภาคมาอยู่ที่บ้านเพราะไม่เคยคิดนี้แต่นิดเดียวที่จะนอกอกนอกใจเธอเจ้าก็ใหญ่ไม่แต่อการจะทําแม้จ่คิดนิดเดียวเขาไม่เคยคิดจะนอกใจเธอฝ่ายน ก, กูลามานดาก็พูดอย่างเดียวกันว่าหม่อมฉัน ตั้งแต่ย่ามเข้ามาอยู่ในบ้านของนักูรบิดาแล้วตั้งแต่เป็นสาวจนป่านนี้ไม่เคยคิดร่วมเกินไม้สักนิดเดียวเลยไม่ต้องสาวถึงการกระทำทางายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละพอมีธรรมชีวิตะสมะชีวิตะธรรมท่านกล่าวอาตังเคยยุ่งเกกระหัตติโยอุโฌนิปติโยดังที่อาตมาสาวเบิ่งต้อง แปลว่าท่าคู่สามีภรรยาหวังที่ได้พบ ก, กันทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วใช่ทั้งสองเพิงเป็นผู้มีสัทธาสมกันมีสิ่สมกันมีจางข้าสมกันมีปัญญาสมกันมีอุโโชาในปฏิโยติเทเจวะธรรมอยัญยะมันอยา่ยางปัจจิตุงอภิสัมภะยันจะันญยะมันยังปัจจิตุงอุโเพว่าอสมัสมสัทธาสมัสีลาสมสจางขาสมัปัญญาดูนะเขาูอย่างเนี้ย มีศีลเส ม, มอกันศรัทาเส ม, มอกันมีความศรีสัลลาให้อภัยกันเท่าเท่ากันมีปัญญารู้จักเหตุลผลพู่กันเรื่องเท่ากันจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในทางพูกอย่างนี้ทั้งทั้งหลายต้องคิดนะทั้งสองต้องคิดอย่างพระเวทสันดรกับพระนางวัดสี <c oughs> นั้นมีทำสิอย่างนี้จึงพบกันมาอยู่ตลอดชาติ แต่มาถึงต้องเป็นเขาเอ็ดสันดอนเมื่อถูกเขาไล่ออกจากนาครซีพีเชสเตอรดอนเขาองค์ก็มีความเาสียสละว่าเราไปทุกคนเดียวตายคนเดียดีกว่าคนที่เรารักคือนางมัตสีและลูกนี้จะได้ไปกับเราเลยนี่คือความเสียสละก็เลยบอกว่ า, วามัตสีเอออีกชั้นนั้นเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีหัวหนอนตายปีแล้วไม่ได้เป็นเจ้าฟ้ามหัศจรรย์ขับเทียล่าขอให้น้องมัตสีจงอยู่ที่ซีพีเชสเตรดอนหรือจะตับคืนสู่นครมัธรา เธ อ, อยังสาวอย่างสวยลูกเราก็ยังร็กโภคะของเราก็ยังมีของเสลเด็จพ่อที่กู้เสภีนี้ก็ไม่รังเกียจเธอดอกให้เธออยู่ที่นี่รลยจะกลับไปมัธราศก็ไม่ยากไรคือมหดีมหาสาลทามหาสารกััตร์มหาสารในแว่นแฟนที่ปราธนาตัวเธ อ, อยังมีเอาเธอมาเสียเลย จะไไปทุกอย่างลําบากสับฉันเลยฉันขอเปิดโอกาสให้เธอให้ฉันทุกคนเดียวเธอตายคนเดียวเธอจะได้เป็นห่วงนี่คือความรักที่ฉันมีต่อเธอไม่อยากเห็นเธอทุกอย่างลําบากนี่คือความศรีสละของคนที่รักคนนั้นวุตตก็บอกว่าไม่ได้จะไปนรกไปสวรรค์ที่ไหนก็ขอไปด้วยมีสวรรค์ที่ไหนก็ไม่ปราถนาถ้าหากไม่มีเสด็จพี่อกระหม่อมขาในป่าใหญ่นี้จะมากเพื่อใครฉันไม่ยอมถอยหนี จะตกนรลกลงโซวเวชีทหามีพระเจ้าพี่มอมฉันนี่วันเลยลงเลื่อนลื้อขึ้นชื่อว่าผัวทั้งดีเลยชั่วคุณเจ้าเอ๋ยก็สแตกทำจะตามมาเกยนี่ขอห่างเลยองค์พระพัสดาจะขอเคียงจะขอเคียงคู่ไม่ยอมถอยหลังสวรรค์นในวังก็ไม่ปรารถนาขอไปเคียงบาตองค์พระพัสดาจนกว่าชีวาของข้าจะสิ้นปุณ สี่ห้าเป็นเกศจะไม่มีตาดวงชีวาของข้าจะเห็ดโสนจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงประตอนมืออยามอยู่เป็นสุขเคยร่วมฟูร่วมหมอนเมืออยามทุกร้อนก็จะไม่เปลี่ยนน้ำใจดูสินี่คือสมักจากข่าวั่นใจว่าการทำอย่างนี้ต้องเป็นปัจจัยเพื่อสิ่งนะั้นสมาธิลาสมปัญญาเส ม, มอกั ถ้าจะพูดเป็นนั่นนางมาติมือยอ่อหลังไปสมัยพุทธเจ้าที่ฝั่งกอ น, น้่งพระพุทธเจ้าของเราหรือพระเวศสันดนเนี่ยได้เป็นสุเมตดาบทเหาะมาในอากาเนี่ยมาเห็นชาวบ้านกําลังทําทางก็แวะลงถามว่าทําอะไรกันเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ฝังกอนจะเข้าไปในเมืองทุมบดีนี้พวกเราทั้งหลายจึงทําบุญเพื่อการสร้างทางซึ่นี่ก็ปรารถนาขอให้เราได้ทําบ้างเราก็อยากจะได้บุญ เขาก็แบ่งที่ลําบากให้แก่กระทำเอาลิงมาถมในที่สุดมันไม่เสร็จในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าสเสด็จเข้ามาเลือกประมือหนึ่งผมไม่เสร็จวินดา บ, บอกนอนล้มทับลงในโคนคือพระพุทธเจ้าพร้อมดับริวารจํานวนมากไปหลังตนเองผ่านไปแล้วก็ปาถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผ่านไป สุเมตดาบดผู้ย่างหนุ่มก็ลุกขึ้นพนมมืออธิษฐานสาทุกโดยการสร้างทางและทอร่ า, า, กางกายจป็นสภานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเกิดเมื่อาากาวเจ้าก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมานั่งหลับตาพนมมือแตะอยู่กระทางล้าทุกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนขอให้ได้เป็นภรรยาเป็นเมียของดาบดหนุ่มลูกหล่อคนนี้ด้วยเถิดอย่างนี้สุเมตดาบอกก็ชี้หน้าดา่าอะไรหน้าด่า ผู้ชายมีล้นโลกามาชอบเลือดสีจีไพรนักบวชหน้าไม่อายทำไนไม้่ไปหาเอาชายอื่นเข้าปาถนานี่ผ่านตัวเองจะมาปาถนานเป็นมีอะไรเพราะ น, นางมัตสีพระนางอุรนาลีท่นนี้ก็บอกว่าท่านผู้เจริญท่านหวังสุวรรณุตรสมัมมาสัมโพุทธญาณสิ่งที่ท่านต้องผ่านท่านจะต้องมีปันจามหาบริจารเกมหาบริจารอย่างยิ่งใหญ่ห้าอย่างคือให้อยูทรับเป็นหานให้ อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานให้ลูกเป็นทานให้มียเป็นทานการที่จะท่านจะให้ทำให้อวัยวะให้ชีวิตเป็นทานเหมือนท่านย่อมทําได้เพราะทรัพย์อวัยวะชีวิตเป็นของท่านแต่ถ้าจะให้ลูกเป็นทานให้มียเป็นทานให้มีเป็นทานก็ยังทําได้เพราะมีก็เป็นของท่านแต่ให้ลูกเป็นทานท่านมีมีมียลท่านจะมีลูกได้อย่างไรและ้นเมื่อมีมีและทำมียของท่านไม่มีสมะจาคาไม่มีสมาสะศรา ไม่มีสลาเท่ากับท่านไม่มีการเสียสละเท่ากับท่าน ม, มีคนไหนจะยอมเสียสละลูกเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านยังมองไม่เห็นความปรารถนาดีของข้าพาาเจ้าดังนี้ข้าพเจ้านี้แหละจะเป็นผู้หญิงที่ใจถึงยอมเสียสละลูกยอมเสียสละตนเองเพื่ออนุสรณ์สม า, สานสัมภเวญแก่ท่านเช่นนี้สุเมธาบอกก็ยอมรับเงื่อนไขว่าในทุเรวิธานหลังจากนั้น มาถึงสมัยพระเวสสัดนดรนางน้อยคนนั้นก็มาเป็นมัท ส, สีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงพูดว่าจะ ต, ต้องพอบกันไปทุกชาติสหากมีธรรมสีอันนี้แหนนี้อา่านการใช ย, ยุงเจ้าปฏิโยอุโพชานิปฏิโยทิเทเจวะธรรมเเมอัญญมัญยังปฏิตุงอภิสัมปะรัญเจวะอัญญมัญยังปฏิตุงอุโพวะอสุสมะสัชขาสมัสีลาสมาจาคาสมะปัญญานี่ การพูดอย่างนี้นอกไปเปดิดใจบิดกเล่มที่ยี่ิบดข้อที่ห้าสิบห้าหน้าที่เจ็ดสิบจสามารถชีวิตสู้นี่จะทุกการนิบาดนงคตานิกายท่านก็จะได้บพบก็เป็นความจริงตัวอย่างในอดีตเอาแล้วข้า่ามไปเวลาของเรามีน้อยวันนี้เราขอพูดกันอีกครั้งนิดหนึ่งก่อนที่จะหมดเวลาว่าพระพุทธเจ้าให้ในจำเนีแกกแกเรื่องสามีภรรยาที่ มีเป็นลำดับมีคู่ครองที่ดีที่งามต่อกันและที่เร็วที่ร้ายต่อกันควรจะพูดที่เข้าใจง่ายกว่าถ้ามีภรรยานั้นจักกันเป็นคู่คู่คู่สร้างคู่สมีมคู่หนึ่งคือคู่ที่มีธรมรมสีอันนี้มีสมาสีราสมาตาสมาญาคาะสมาปัญญาถ้ามีธรมรมสีอันนี้สม่าเสมอการตถาเสมอกั น, ส, กนสินเสมอการเทสระเข้ากัน ปัญญาเท่ากันเกิดชาติไหนก็พบกันชาตินั้นจนกว่าจะหมดชาติทำลายอาตวะสิ้นกิเลสเห็นอริยศัพพั น, น, นี้ดีรุ่งคู่สร้างคู่สมคู่ชื่นคู่ชมพระพุทธเจ้าท่านจับระดับภรรยาสามีไว้เจ็ดประเภทคือประเภทที่ดีมาตาภรรยาภรรยาเหมือนแม่ไอ้แล้วก็มี สีีภรรยาภรรยาเหมือนเพื่อนพระจีนีภรรยาภรรยาเหมือนน้องสาวอสีภรรยาภรรยาเหมือนค่าแคาเมื่อสี่อันนี้ลองคิดดูเถิดสามีก็เหมือนกันเหมือนพ่อเหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนคนรับใช้ถ้ามีภรรยาบางคู่เรียกกันเรียกกันวนะ่าพ่อเรียกกันว่าแม่ ลูกพูดถ้อยคำที่ไปเราพ่อกินข้าวเธอในเวลาแล้วภรรยาเรียกผัวอย่างนี้ผัวสามีเหลียกอย่าเียวว่าแม่วางเธอะหาลูกกินข้าวเถอะอย่างนี้นี่ไป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในครัวเรือนมีความอบอุ่นใจตลอดเห็นกันมาก็กลัวจะเห น, น็ดจะเหนื่อยจะหดจะยิ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคู่ชื่นผู้ชมเหมือนน้องสาวตามใจพี่ชายไม่กล้าจะขับใจอะไรมาก พูดอะไรก็ฟั่งป้านนอนสองง่ายเหมือนน้องสาวกับพี่ชายคู่หนึ่งแล้วก็เหมือนเพื่อนทุกยากลําบากยังไงไม่ทอ ด, ท, อดทิ้งเก็บใครแต่ป่วยดุบินถ้าผ่าขี่ตีผ่าอ่อมจมลุกจมหน้าไม่ทอดทิ้งกันในยามยากยามจนเหมือนเพื่อนเป็นเพื่อนตายอย่างนี้แล้วก็เหมือน่าไร่ไม่นิสิตไม่พายแต่ทุกปีจะด้เจะว่าขออุดข้อทน ไม่ยอมจากไปไหนจะดีจะชั่วผัวของเมียจะชั่วจะเสียเมียของผัวฉันไม่ยอมเปลี่ยนใจต่อเป็นเถื่อนทุกอย่างลำบากไม่น่าพวกผัวของฉันเมียมกันอย่างเดียววกแบบพาสีัรรยาพาสีสามีสี่คู่นี้จับอยู่ในประเทศคู่ชื่นคู่ชมส่วนอีกสามคู่หลังพระเจ้าท่านจับเป็นคู่เวงคู่อ๋อมว่าพระภรรยาภรรยาเหมือนเพชรชาติฆ่าทางตายฆ่าทางใจ ทำอะไรให้สามีหมดกำลังใจเข็นฆ่าโอ้ทำให้เจ็บท้ำน้ําใจอยู่ตลอดแต่ก็ไม่สามารถจะทอดทิ้งได้มันจะมีเวร ม, มีกรรมเป็นคู่เข่งคู่กรรมเรีว่าฆ่าผัวทั้งทางตรงและทางอ้อมข่าเมียทั้งทางตรงทางอ้อมมีแซ่ใจดีแต่คั่ว่าทำอะไรให้ดีเมื่อไงเมื่อเข็นฆ่าน้ําใจเธอให้ร้าวรานอยู่ตลอดเวลาเม่เข็นฆ่าน้ําใจคัวให้เจ็บปวดรัวร้าอยู่ตลอดเวลาอยู่อยจอยพระยาโจรยสามี ถ้นมีภรรยาเหมือนโจรต่อกันละกันเพ้อไม่ได้สิ่งของเงินทองอยู่ตรงไหนหัวหามามีเอาไปเล่นไพ่เล่นไฮโลหรืออาไรปุยจี้ปุยจำอย่างอื่นหมดไม่มีจะเก็บพร้อมหวอหมอย่างนี้หรือว่ามีได้มาหัวไ ม, ไม่ไม่ประหยดัดหัวมีแต่เที่ยวมีจะเล่นแต่กินทุพยายไปวอดหมดเงินทองอย่างนี้หรือว่าเป็นโจรต่อกันอะกันถ้าเป็นโจรต่อกันอะกันนี่มันลําบากมาก จนภายนอกจะมาลักเข่ารักของมาป้นมาที้เรามีบ้านดีๆใส่กอมีม้าดูดูเขามีเพื่อนบ้านใจคิดดีงามบอกข่าวเศร้าแปรล้อมไปอย่างต้องอันช่วยกันได้แต่โจนที่นอนกอดกันหายใจรถกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ไม่รู้ใครจะมาช่วยหรอกให้เถอเมื่อไหร่ก็เอากระเป๋ที่ไหนเงินมีตรงไหนบางทีได้เงินแล้วก็แอลก็ให้คนลูกเรอะไรต่างๆพวกนี้เรียกว่าเป็นโจลีพลายาโจรลีสามี ต่อมาก็มีอีอยากาปริยาอียาการสามีเป็นเหมือนนายครูเขาข้กกขอเขาโชกโคลค่เอาแต่ใจยาว่าลุดาว่าไม่คู่ใจอะไรนะก็แสดงออกมาฝ่ายหนึ่งก็ก้มหน้าอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นเหมือนนายอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคู่เวรคู่ปัดจะทอดทิ้งแล้วไม่ได้เหมือนกับฟ้าแช่งตะเดินสาวเพื่มาพบ ก, กันเนื่องจากหาสินหาธรรมสมัสธาสมัรรสีราสมัจจากาสมะปริญานั่นเอง ต่อมาอีกคู่เรียกว่าคู่สิงคูทำคู่คุณงามความดีมีสัจจะความจริงใจต่อกันจริงทางใจจริงทางวาจาจริงทางตาพูดอะไรก็ไว้ใจกันได้เพราะมีสัจจะต่อกันอย่างนี้ไว้ใจกันได้แลยไม่กินเนยแข่งใจไปไม่มาตามไม่ใจเมียตนเองมันใจโหดตนเอ ง, เเ อ, งอย่างนี้ต่อมาก็มีธรรมะมีความอดทนอดทนไม่แสดงออกมาในสิ่งที่ไม่พอใจบางทีตนเองเคยชินอย่างนี้แต่ ชรญญาสามีเคยชินอีกอย่างหนึ่งเพราะเกิดมาคนละบ้านคนละช่องเลยสังสมประสบการณ์มาสิ่งนัเราไม่เหมือนกันมาพบกันอยู่ด้วยกันก็เลยแสดงอารมณ์เก่าๆหรือว่านิสัยใกล้สำนึกเก่เอาออกมาแต่ก็ข่มไว้ค่มใจตนเองไว้ไม่ยอมยึดไม่ยอมถูอสิ่งเล่นั้นปรับความเข้าใจให้มันตรงกันอ ย, อย่างนี้หรืว่ามีธรมะมข่มใจมีคันติอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งภายนอกภายในของจิตใจและร่างกายแล้ว ก็มีจา่าับมีการเสียสละให้อภัยยอมกันไดให้ภัยกันได้คนหนึ่งร้อนมาคนหนึ่งก็เย็นไว้คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็เย็นลงแค่ น, นี้ก็เลยอยู่ด้วยกันได้เลยว่าคู่สินคู่ทำคู่คูน่านางความดีสุดท้ายคู่รู้จักหน้าที่ภรรยาสามีที่ดีต่อกันสามียกย่องภรรยาว่า น, นี่คือภรรยาของฉันให้เกียรติแกบภรรยาสองไม่ดูหมิ่นภรรยาของตนเองว่าไม่ดีไม่งามเป็นคนบ้านนอกบันมาคนป่าคนดงเอามาเป็นเมีอะไรต่างๆไม่ว่า สามไม่นอกออกนอกใจภรรยาสีเป็นผู้ยกคว า, ามเป็นใหญ่ในครอบครัวให้ดูแลการบางการเรื่อเงินทองเก็บร้อมลอมลิ้มห้ามีของขวัญของฝากมาให้เครื่องแต่ง น, นี้แต่งตัวแสดงถึ้ความรักอย่างโดดเดิ่ยไม่จงางหายอย่างนี้เรวยกว่าสามีที่รู้จักหน้าที่เอาเออกเอาใจบริ้ารจิตใจเมียและแสดงให้ถกของควรเมียก็รู้จักหน้าที่นึ่งยัน ในการบ้านการเรือนจาดการบ้านการเรือนอย่างดีงามสองสองข้อบุคคลฝ่ายข้างสามีคือไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทนีสห า, ายของความมีที่ความเคารพอรุูบาอาจารย์ ส, มสามัคคีเสมอเห ม, อมือกับตนของตนเองข้อที่สามไม่นอกใจสามีข้อที่สี่นั้น เป็นผู้ประหยัดจะพร้อมรลอมฤทธิ์ทรัพยสมบัติที่สามีหามาได้ข้อที่ห้าขยันตื่นเป็นเด็กลุกแต่เช้าตื่นก่อนหวยอีกนอนทีหลังอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องในคร อ, อ, อบครัวก็อบอุ่นรักยังดูดูเหมือนเป็นลูกในเรือนจริงๆเมื่คุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้ร่วมคู่สามีภรรยาที่รู้จักหน้าที่หน้าที่ทั้งที่กล่าวมานี่เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าสอนลูกสาวของเศรษฐีอุขาศาสตเศรษฐี วันที่แต่งงานวันนั่นที่ชาติยาววันนู่นแล้วเราละที่นี่เวลาของเรามันก็มีน้อยเข้าทุกทีแล้วแต่แวันจะมืจะค่ำอารมาจะจะคุยความคิดแก่ท่านทั้งสองคู่บากก่าวสาวสามีภรรยา ก, กันได้นำไปคิดว่าชีวิตคู่ที่จะมีความศพที่สดนั้นจะต้องเกิดมาจากความเห็นอกเห็นใจสันีิอันนึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของตามให้อว่าต่อสาพร น, นี้ก็อยากจะขอให้เจ้าปาหรือว่าผู้ที่เป็นสามีนี้ได้มีความเข้าใจมีความเห็นใจต่อภรร ย, อยาอีกประการหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายมักจะมองข้ามปัญหานี้มีกันบ่อยๆที่ได้หย่าได้ร้างกันพูน้พุทธเจ้าท่านเคยตรัสแต่ที่สุดทั้งหลายว่า หรือก่อนที่สตรังหลายมาตุคานคือผู้หญิงคือสตรีนั้นจะเป็นผู้ได้รับความทุกข้าประการซึ่งผู้ชายจะไม่ได้พบความทุกข์เหล่านี้เลยที่สตรังหลาลองคิดดูเพราะผู้แต่งจะรู้ไปหมดเลยเนี่แต่ผู้หญิงเป็นทุกอย่างไรผู้ชายเป็นทุกอย่างไรสตรีมีความทุกข์จำเพาะตัวอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ชายซึ่งสา ม, มีคุณจะต้องเข้าใจและะ้ะตอบรับ ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เห็นออกเห็นใจรเห็นออกเห็นใจเธอหนึ่งผู้หญิงจะต้องจากหู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามีทั้งที่ยังเป็นเด็กสาวสามีควรที่ความตกอุ่นใจอันนี้จะต้องคิดให้มากๆกว่าภรรยาของเรานั้นเขาเคยอยู่กับพ่อกับแม่กันแต่อ่อนแต่รอนแบบนี้ต้องพาดจากพ่อจากแม่มาอยู่กับเรา ตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวอยู่เราจะต้องอออรู้จักคอนโทรร้จะเอา อ, อกอาใจให้ความอบอุ่นเห็น อ, อกเห็นใจเธอบ้างยาวแต่ใจซ้องผู้หญิงนั้นมีฤ ด, ดูมีประจำเดือนถึงบางขาวก่อให้เกิดปะนะัญหาให้เกิดความแปลโปรนทั้งทางใจทางกายฝ่ายชายควรจะเข้าใจเวลามีประจำเดือนนั้นเปไขมีอะไรอยู่ในตัวด้วยนะมันเป็นการแปลปรนทางธรรมชาติของร่างกายผู้หญิง จใจมันก็แปรปวรวนด้วยอารมณ์มันก็แปรปวนไปด้วยมันกระทบกระเทือนไปจนถึงอารมณ์บางครั้งอารมณ์ของเธออาจจะงุ่นงงอาจจะไม่สบายแล้วก็ไม่สบอารมณ์ของเราอีอันนี้จะต้องเข้าใจเธอเข้าใจหล่อนอย่าเอาแต่ใจต้องเข้าใจว่าทํำไมรอนเป็นอย่างนี้เพราะมีอะไรความจริงรอนก็อยางจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีด้วยความสกแต่สามีเสมอนั่นเราจะต้องเข้าใจและอย่าพูดจากระโชกข้อหาให้รอนร้อนใจมากนะ ข้อที่สามผู้หญิงนั้นมีคันจะต้องตั้งทองอยามนั้นต้องตามความเอาใจใส่บํารุงตายใจเป็นพิเศษบุคคลที่การตั้นคันนั้นอยู่กใกล้ความตายอยู่กใกล้ความตายเหมือ น, น, น, น, นกันกับคู่ชายที่เธออยู่กใกล้ความตายเหมือนทหารไปตัวนแนวรบเพราะว่าถ้าล้มฟ้าลงเมื่อไหร่ก็จะตายได้เหมือนนั้นไม่เหมือนท้องฟ้าท้องแดง และจิตใจในช่วงนี้มันจะแสดงออกถึงจิตใจเป็นผู้มีใจมา้ายเพราะว่าอยู่ไกลห่างพ่อแม่พี่น้องโดนหน้าคนไหนก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องมาแต่จำเนิน่นเห็นขนาดทางศาสนายินโดูสาวนาะพามเวลาจะคลอดลูกผู้คนจะต้องตอบแต่ข้อที่เรื่องของตนนั้นเพราะต้องการความอบอุ่นในยามเช่นนี้ยั น, น ห, หน่าสิวมน้าขวายามจะตาย ยามีอันยามนั้นต้องการความเอาใจใส่บำรุงตายใจเป็นพิเศษและเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนางกำลังจะเป็นแม่เราก็กำลังจะเป็นพ่อต้องพูดจาไพเราอ่อนหวานภาษานาษาเมคีก่อให้เกิดใหม่ตรีรักใครดู ด, ดื่มกบอุ่นนี่จางหายข้อที่สี่ผู้หญิงจะต้องคอด บ, บุตรคงเป็นขาเจ็บปวดรัวร้าเป็นทุกแสนสาหัสและเสี่ยงชีวิตมาก้ามีควรเอาใจใส่เหมือนเป็นทุกของตนเอง ยามคลอดบทนี้ไม่อยากจะดูหน้าไข่นอกจากหน้าหัวเท่านั้นหย ก, กติใกล้คนโบราณคนอีสานเวลาจะคลอดให้หัวไปนั่งให้เมียให้เมียเทิงให้เมียอีก็จะคลอลูกคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดอย่างนี้คือในช่วงจะเจ็บจะปวดจะล้มจะตายไม่อยากจะเห็นหน้าใครที่จะเป็นขวัญตาเป็นยุกเป็นยาใจเท่ากับหน้าหัวอันนี้ต้องเข้าใจสุดท้ายผู้หญิงจะต้องคอยปลนเปลเอาใจใส่ฝ่ายชายฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่ใจใตัว ปรงทราบซึ้งในความอื้อเฟื้อและมีน้ำใจตอบแทนเธอด้วยมีพระพุทธเจ้าท่านพูดอยู่ในสังยุตตินิยสลายุตนาวะเล่มที่สิบแปข้อที่สี่ร้อยหสิบสองหน้าที่สองรเ้าสิบเจ็ดโดยเฉพาะที่สำคัญยิ่งก็คือลูกลูกลูกได้ทำพิธีสมรสแต่งงานกันใหม่คู่บ่าวสาวระหว่าง นายเทิดพง์ชัชวานและก็นางสาวกนิกาผอมสลิเมื่อวานมาสมาถานอุโบสถทศิลป์ทั้งสองแล้วก็มาถวายอาหารเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่งดงามซึ่งในยุคนี้ปัจจุบันนี้จะหาได้ยากการกระทำอย่างนี้เป็นการเตรียมปลู ก, กฝัง ชีวิตคู่โดยเริ่มต้นที่การประพฤติ ธ, ธรรมมาถวายสังฆทานแด่สองหมู่ใหญ่ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายพันคนตนเองก็บวช ด, ด้วยนะสมาทานอุโบสถทธธัศนิงแวนี้พวก ว, วิญญาณสมาติเทพพวกเทวดาคงจะแย่งกันเป็นปฏิสนธิอทุทาเคยมีครั้งหนึ่งนะ ไม่อยากพูดหรอกแต่ก็น่าพูดเหมือนฝันร้องสามปีที่ผ่านมามีคนมาจำสินเยอะมีทั้งสาวสาวมีทั้งคนเฒ่าคนแก่ที่วันหนึ่งได้ยินเสียงร้องฝันดอกฝันได้ยินเสียงร้อง ว่าจะเกิดเดซุด่มมุนิก็บ่อยอมหนีโลกเจ้าคนมาสักพระนายต้องมาร้องอย่างนี้และต่อมาก็มีผู้หญิงตั้งคันกับพวกที่มาจำศีล น, นั่นแหละอัแต่งงากันใหม่ๆน่าจะเป็นไปได้ว่าพวกสมาธิเทพทั้งหลายเนี่ย คงจะต้องเลือกต้องสัรเหมือนโพธิสัตว์ต้องการจะลงมาสร้างบารมีก็เลือกพ่อเลือกแม่ผู้มีศีลมีธรรมและท่านก็เลยตับว่าหญิงใดก็ตามที่มีศรัทธามีศีลเอาศีลขึ้นหน้าเมตาวิมีสีละวะตีหญิงใดมีปัญญาหญิงใดมีศีล ประกอบก็ได้ศรัทธายญิงผู้ปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดผู้หญิงทั้งหลายผู้หญิงจะดีแค่ไหนยังหาที่วัดมาตรฐานไม่ได้จะวัดให้รู้ว่าผู้หญิงดีนั้นวัดที่แม่ผัว แม่ผัวดุเก่งดาเก่งยังไงก็ตามเธอไม่โต้อตอบเธอปฏิบัติตมสม่ำเสมอต้นเสมอปลายใจเย็นยีม้มดามาก็กลอมหน้ายิม้มเรียกแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ลูกสะพยอย่างนั้นหลานหรือลูกของเขาที่เกิดมาพระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นจญิงดีมากแม่ผัวนั้นเป็นเครื่องวัดเขา สุเทวาปฏิปตายาซาเตชยโตโปโซสุโรหโติทิสัมปติยญิงในปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาบุตรที่เกิดมาจากหญิงเช่นนั้นจะเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศไปสู่ทิศไหนก็จะได้เป็นใหญ่ มุดที่เกิดมาจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็จะคุ้มของไว้ได้เพราะเรามาฝึกวิญญาณมูแต่ผู้หญิงยี่แต่งงานใหม่แล้วมาฝึกฝนอบรมจิตให้บริสุทธิ์ไว้ก่อนช่วงนี้จะได้วิญญาณที่มาสืบต่อใหม่ที่ดีที่งามเขาก็เลือกมันกันมันเป็นอย่างนั้นดอก พอ ม, มึนคู่สมมติคู่มึงจริงเป็นลักษณะพิเศษ